ปฏิบัติการตามสบายนี้การสบายใจคนมนี้ตรงนี้ไม่ประโยุนหรืมีประโยชน์มากสมัยก่อนการสารวดเงินทางวัดนี้มันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเป็นอุบายสุดขั้วมนันถ้าเราเข้าใจาในเ ร, รื่องปฏิบัติทุกคนีรกมันก็ไม่อ โดมากอ่ตามป่าตปฏิบัติกวัดสมัยอาจารย์ทำวัปฏิบัติอยู่กันไปที่เหนดีรระรวมกันทำวัดจะมีการประชุมกันจิตาอะรันมยุะาะประจำจะของสติของเราก็ทำทำวัดแบดมนทาวัดสุดตัวเอง การใช้การดื่อการยนเราฝึกเราองทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็หนึ่งนักันผู้ปฏิบัติมีเหนึ่งนันกันบางองค์ก็นานผู้ที่ก็เข้าใจนะบางองค์ก็ชอบตันที่จังใช้ตอนชาตอนเย็นชอบแบบนั้บางงค์ก็ชอบเบียด บางวงจะชอบดูเข็มกิเลสน่ครับอย่างการปฏิบัตินี้ก็คือเป็นรูปายเป็นรูปายเพื่อจะสั่งสอนจิตของเ้นี่ยห้สงบคําสอนทองพระนั่นจะอิบายตรงนั้นนี่ึงเป็นรูปาย เราเรา จ, าจัดจำประสงค์ของพระพุทธเจ้าเราที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้พระพุทธเทค์ของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริษัทนี้รู้จักข้อประพฤติบัติเพื่อทรงคตธรรมนในคำสอนของท่านให้ศาสนาของท่านยืน ยงคงทนอยู่ ต, อตลอดกาลนานนั่นเองผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านก็ต้องอาศัยสัจจาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นกำลังทัานกล่าวว่าเป็นกำลังทั้งห้า สิ่งห้าอย่างนี้เสนอพลเป็นกาลังที่เป็นพลังแต่พลังของจิตศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาแหววัยคนเชื่อถ้าพูกง่าย็เยสนศรัท ธ, ธานี้มันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงศรัทธาศรัทธามันเชื่อจิตใจของเรามันยังไม่ไปจะเชื่อ มนุษย์ทั้งหลายมันปจะเชื่อกันโคตรง่ายๆปรดีว่าบวชมาอย่นี้ก็ให้มีศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นจะต้องเคารพการวะพระพุติธรรมผสมอยู่เสมอระวัง สิ่งที่มันผิดอจากธรรมในถ้าเรารู้จักผู้ปฏิบัติจะไม่กล้าจะทำเพราะเชื่อว่าอันนี้มันผิดอั น, นใดมันผิดก็อันนั้นมันเป็นอาัตนออี้อาัตก็แปลว่าผิดไม่ใช่เรามันเป็นอย่างอื่นอาบัตนั้นแปลวมันผิด เรามาประพฤติปฏิบัติในข้อจาดความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์ย่อมแต่สิ่งว่าเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักพระพุทธเจ้าขงังอรู่เพื่ศึกษาข้อประพฤติข้อปฏิบัติอันั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะน เฉยเสียหนึ่งนี่มันก็ไม่ได้เป็นปูวมีกับทาเชื่อว่าผิดขึ้นผิดถูกขึ้นถูกอย่างนี้พวกง่ายๆมันก็ไปกันได้ค่นั้นอะไรที่ยังหลงผิดอยู่นั้นเพราะอันนั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักก็ก็คารพอยู่เสมอสังวรสังรวมอยู่ตลอดเวลาจะอาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจาร แนะนำคำสอนอาศังความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเทียบเทียนันไปท่านเียก็่ศรัทธ า, าอยากไปเห็นว่า เ, า, าเรามีศรัทธาเราจริงจนมาบวชแต่บวชแล้วไม่ทำตามคำสนอนของพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นยก็่ศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายาม ทำมาี้ยังม่เบียดรอแต่เจก็พยายามอยู่เสมอมีรักษาความเชื่อต้นตามันก็คือปผู้มีศรัทธาถ้าปราศจากศรัทธาแล้วมันก็ไมถือประโยชน์อะไรถ้ามีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อจะระกพ่อพิ่เทนั้นพยายามจแสวงหาในทางันที่ถูก อยู่เสมอพระพุทธองค์ท่านกงสอนว่าเมื่อบวดมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำตัวเป็นพระภิกสุใหม่เสนอไม่ใช่แบบเก่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสนอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสมองเสมอด้วยใจ จะยืนจะ น, จะนั่งจะนอนจิตกป็ปลารออยู่ว่าอะรอารไอ้ตรงนั้นไอ้ที่เราจะทำให้เดือดร้อนได้โดยวิธีอย่างไรเราจะมีความว่างน้อโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้นเราเรีรอยู่อย่างนี้เสมอให้รู้จักความ ผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลานันี้ที่คนว่าอัตโนโจพยัตนานจงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้มันสาคัญกว่าเพราะว่าตนที่สมมติมันจะอยู่ที่เรานั่งมันจะนั่งตนจะนั่งนอนมันจะเรีกว่าตนอะไรมันเป็นตนเท่านั้นแหละการเรียกว่าคนอื่นมันก็จะเรว่าตน คนอื่นจากตัวตนหาโอกาสเวลาที่ท่านจะแนะนำคำสอนมันห่างไกลจากตัวตนตอนนี้คือตัวตนคือตัวเราที่เราเรียกับตัวเราเรานั่งอยู่เราคิดอย่างไรเรานอนเราคิดอย่างไรยืนไปเราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทําอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้ เรียกว่าเราตามรูปตัวของสจ้องแต่พยายามการประทานชนนี้การอย่าวไรดยัดคเทียนเทียนเคื่อสเระความชัว่วแต่ทธธรรุกความดีไม่จะเทียนอยางอนืนอเทียนละสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ที่ผิดมาปฏิบัติในความผิดหมดไปเมือ่อความผิดหมดไปก็เหลือแต่ความที่ไม่ผิด อ้ความที่มมีอยู่ก็เรียกว่าของที่บริสุทธิ์นั่นเกิเป็นปุกเกี้ยนวิทยารามพระปราลบคเกียนแล้วจะนั่งจะยืนจะเดินนอนอยู่ก็ตามมีความปราลบอยู่เสมออย่างไงไอ้ความอยากของเราเอ่ะซึ่งมันมีความร่มเหลืออยู่ยในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะบางลงไปมันจะน้อน้อยมันจะส่ำลง มันจะมีความเห็นชอบการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นยึดกับลาลบนความเพียรอยู่เสมอมันไม่รวมว่ามีความเพียรอยู่ก็มีสติสติคือความรุษได้อยู่ในเมื่อเราพูดอะไรทำอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติตัวนี้ กระุงอยู่เสมอเมื่อเรามีติรู้ง่ายมันก็รู้เร็วเมื่อเรามีติเมื่อเรามีสติอยู่ตรงนั้นกันสัตว์เช่นมแมลงมุมที่มันทรารังมันที่ไร้มันมีโอกาสาว่ามันไปทาลังมัน ทำใยมันผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามันเป็นแรงสึงอยู่ตามอากาศเมืมเ่อเสร็จแกตัวก็จะมาหมกอยที่จุดกลางของรังันนั้นนะเฉลยอยู่แต่กนิ่งอยู่สงบอ ย, บอยู่ด้วยวิสติคือก็สำหรับเก็บตัวไว้ในจิตตรงกลางรังมันนี้ มมลงวังมมลงพึ่งมมลงต่างๆที่ดีน่าทานใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสสร่งรู้จักตัวมมลังนมวิจติขึ้นเรียกไปจับจับนั้นไม่เป็นอาหารเมืเ่อจับเสียเง้อก็เรียกมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนะี่ยก็ทังความสงบนวง มีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาถูกเข้าเมืมันสัมผัสเมื่อลัยเมลงงงก็ถึงเพราะว่าเมลางงมันอยู่ในสติเพรมันจ้องกินอาหารมันรวัตรร้อนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อจับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่ที่เตาดันอย่างนี่เป็นที่ใสของเมลางงที่จับสัตว์กินอยู่ เมรนั้นก็เหมือ น, นกันจิตของเราจิตของเรามันอยู่จุดกลางของอายตนะตาหูาจมูกมจิตีควารู้สึกอยู่เติม อ, อยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสทางตาตาไปเนรูปมันกร็รู้สึกมีสติอยู่หูฟังเสียงังก็รู้ ม, รมันมีสติอยู่ ได้กล่นเหม็นหอมอะไรมันก็มีจะรู้สึกเรื่งมันสัมผัสรถโอชารถต่างๆมันก็รู้สึกธรรมารที่มันเกิดกับใจมันก็รู้สึกนี่จะว่ามันสัมผัสสัมผัสครังแรกมันก็รู้สึกเฉยๆเช่นหมูเราสัมผัสเสียงออมามันมีเสียงออมา โรคตัีเสีย ง, งตัว ด, ดีินตัวดีรสตัวดีโคตปะกตัวธรรมาลมณ์ตัวดีหนมาบักระบแล้วนั่นก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นพอกระทบแล้วยังมีความต่อไปอีกมีความต่อซึ่งมันจะเกิดจีิกซึ่งมันจะเกิดปัหาซึ่งมันจะเกิดร า, าคะเกิดโทสะเกิด โ, โมหะขึ้น ไอ้คั้แรกมันไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้สึกเฉยๆต่มีความรู้สึกเกิดมามันก็ตามติดต่อไปว่านั่นเสียงอะไรแม่ไพเราะจริงเมื่อเห็รูปมันก็เฉยอยู่ต่อไปมันเกิดขึ้นที่หลังต่อไปรูปนี้สวยไหมเรื่อไม่สวยไหมอืันนั้นเยอะกว่ามันกระทบกลับมามันได้เกิดกิเลสมันได้เกิดปัญหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะ ผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก่อนการแต่งนั้นถ้าเราระนัดระวังอยู่สังวานอยู่สังรวมอยู่ฤกษ์ีมันจะรู้จักตัวของเจ้าของรู้จักจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของนีม้มันเป็นไปนุ่มในรัษณะอันไรมันก็รู้จัก เมื่อเรารู้จักผิดของเจ้าของนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนผิดของเจ้ของเมื่อเรารู้จักผิดของเจ้าของแล้วเราจะรู้จักสั่งสอนผิดของเจ้าของตอนนั้นฉะนั้นตัวสตินี้จึงเป็นตัวที่สําคัญมากที่สุดเมื่อมีสติ้เราสังเอยู่สังวกอยู่ก็ดึงปัญญามาอารูณนี่มันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไหย ปัญญามาช่วยพิจารณาอันนี้โดยสติมีคุณค่าสมาธิสมาธิที่ความตั้งใจนั่นสมาธิมัม่นมันจะเกิดมาจากสติอันเดียสติสมาธิถ้าเพื่อนๆมาสมาธิการสักษาสมาธิม่นท่านหมายถึงความตั้งใจมัน่น อย่างรเราจระอารมณ์สิ่งที่มันชัว่วสิ่งที่มันไม่ดีไม่คุ้นคามมันนั่นในข้อประพฤติของเราในข้อปฏิบัติของเราอยู่นสนาธิเป็นตังใจมันสมาธิมีหลายคณาที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ สมาธิที่มังแ้วนับตาการ น, นักอันใดหนึ่งเปนมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทาไมถึงเอาเป็นอารมณ์อย่างอนาตานสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมยเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในสิ่งที่ทั้งหลายจะเรารู้อยู่นั่นเองจิตจมุ่มงหมายให้เป็นหลัก เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างหัูฟังเสียงก็เป็นอารมณ์หนึ่งจมนกลมจีก็เป็นอารมณ์มันหลายอารมณ์แต่สิ่งที่มันม่นหลายอารมณ์เนี่ยมันจะฟุ้งซ่านดังนั้นสิง่งรูง้สึกมากๆ ม, มาเป็นอารมณ์เดียวเราจะรู้จักอาอะไรก็เอาที่วัดเราเนี่ยสอนอนาตาเนสติ อาณาตาแสตินี้มันเป็นของง่ายเพราะอะไรก็ ม, มีอยู่แล้วเรานั่งอยู่เราก็หายใจอยู่เรายยนไปนหายใจอยู่นอนเราก็หายใจของเราอยู่ดังนั้นต่อกำหนดเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่ใกล้ๆเนี่ยเป็นอารมณ์หายใจเขา้าหายใจออกอันี้เป็นอารมณ์ เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คือนาตฏรัตตินี้ไม่ให้มันถูกสร้างไปหลายอย่างค่วทํามากมากมันมีมากแต่การมันน้อยอารมณ์มากมันมากแต่เราอาศัยเรมันมากอยากจะทำให้มันน้อยจิตเป็นอารมณ์เดียวน้อยจงยกอารมณ์จหายใจเข้าออกกรรมเฉพาะแต่ึม่กว่าพุทโธ พุโทโธ้่าในใจของเราเสมอมีความละลึกอยู่รู้อยู่เต็มลึกในทุทโวนนั้นนี่ปเรียกว่ามันเป็นอารณ์เมื่อเราทำไปนั่งอยู่ทำอยู่หายใจออกก็เป็นพุโทโธหายใจเข้าก็เป็นพุโทโธพุธโทโธนั่นก็หมายถึงว่าผู้ ร, รู้อยู่นั่นเอง เรารู้อยู่รู้ด้วยสติของเราที่เราเติมอยู่นั่นมนรู้ถ้าเรารู้จากสติของจ้ของมีสติอยู่เราจะรู้จากจิตของเจ้า ข, ของจิตของจ้ของนันคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราจะจะเห็นชัดคู่ที่มีอนมานาจในรับเอาซึ่ออารมณ์ทั้งหลายนั่นเนี่ยเรียกว่าตัวจิตสมมติว่าจิตหรือใจ ที่เรากำหนดรู้ที่ตัวมันกำหนดรู้ตามลมเข้ามันก็รู้จักลมออกมันก็รู้จักคนที่รู้ลงมันเข้ามันออกหน้าระคืตัวจิตที่เราสมมนดแต่ตัวจิตถ้าเรากำหนดตรงหาใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นเองใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นเราก็รู้จักกับใครตามรู้อยู่ คนตารู้อยู่นันเรียบราจิตอารมณ์นั่นก็เป็นอารมณ์จิตนั่นก็เป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์นก็เป็นอารมณ์มันตอนท่านท่านี่สาิเมื่อเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวแล้วจะเห็นจิตของเจ้าของาจิตที่มันเป็นอย่างอารมณ์ีมันเป็นอย่างน้อารมณ์ที่มันมากระบอกนันเป็นอย่าง ผู้ที่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือผู้ฝึกสองอย่างนี้ถ้าหากาเราไม่เป็นสมาธิไม่ทําสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของเจ้าองถ้าไม่รู้จิตของเจ้าก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าองไม่รู้จกักจิตของเ จ, องอจง้าจิตเจ้าของเศร้าหมองก็ไม่รู้เรื่องจิตผ่องใสก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เพราะทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าดูก่อนที่สูทันหลายใครตามดูจิตของตนคนนั้นจะต้นจะหวงของมานหวงของมาั น, นคืออะไรคือโลกหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโสดาบัหนึ่งธรรมารมณ์ อันนี้ละมันจะเป็นห่วงมันเป็นห่วงอันหนึง่งซึ่งจะปขกจิตผู้ที่ไปรู้ไปรับมานั่นเองเข้าไปในอํานาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอํานาจของความเกลียดของความรักถ้าหากว่าเรารู้จิตของเจ้าของเช่นนั้นทั้งเรามีสติอยู่เราจะรู้ว่า น, นี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิต ถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตเราก็แยกกันออกเป็นสองอย่างเป็นสองอย่างถ้เราแยกออกเป็นสองอย่างเราก็รู้จักกับจิตแล้วมันไปยึดมั่นถือมันในอารมณ์อารมณ์นั้นจะเกี่ยวกัโลกโลกงอารมณ์ก็คือลงโลกโลกก็คือลงอารมณ์ ใครเป็นคนหลงก็คือจิตผู้รู้นี่ะมันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันก็หลงไปตามสุขมันก็หลงไปทุกข์มันก็หลงไปตามมันตัวมันจะแทนนะว่ามันเป็นตัวทุกข์ไอ้คนจริงนั่นมันจะทุกข์ก็เพราะว่ามันเข้าไปอุปทานมันหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น เลยไปเป็นจ้ของอารมณ์ในความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนด้อย่างกันเมื่อเราเข้าประยึดว่าอันนั้นมันดีอันนั้นมันสวยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆ เ, เห็นวัตถุกระทำนั่นหมาย แต่ยึดมั่นหรือมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั่นแหละเียกว่าลบ่วงของปิยมัน Quad, มันผูกไปอความพอใจมันก็ผูกไปความที่ไม่พอใจมันก็ผูกไปความสุขมันก็ผูกไปหความทุกข์มันก็ผูกไปชั่วมันก็ผูกไปดีมันก็ผูกไปอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักอารมณ์ ถ้ารารู้จักจิตของเจ้าของแล้วอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตนันก็เป็นจิตนั่นเป็นตนวอย่างถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราก็จะเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเราก็ต้องรักต้องอารมณ์นั้นอยู่ติดตามอารมณ์นั้นอยู่ไม่เป็นเจ้าของอารมณ์นั้น ถ้าเราเห็นจนนี้ว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เราก็ต้องรู้จักสอนจิตของเจ้าของรู้จักสอนจิตของเจ้าของเมื่อเรามีความสงบอยู่เมื่ถูกอารมณ์ขึ้นมาเราก็รู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตมันก็เปรียดง่ายๆมันจะอยู่ใกล้การคิดตั้งเหมือนใจน้ำมันน้ำตา มันมีน้มหนกต่างกันใจใสัเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมตอกันจิตกับอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตนันก็เห็นจิตเป็นจิตอารมณ์ก็เป็นารมณ์สัเท่าหรอารมณ์เท่านั้นอารมณ์นั้น่อองนนนางเดียกับลเราลงโลกกอองอารมณ์ ย้อนอารมณ์กับตัวโลกเอาจิตกับอารมณ์ทั่อพันกันจนแยกกันไมได้แยกแยกกันออกไปได้ว่าอะไรไมาเป็นจิตอะไรว่ามันเป็นอารแยกไม่ได้เมื่อแยกไม่ได้ก็ไม่รู้จักกับอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์ไม่รู้จักเจ้าของเ ม, มื่อไม่รู้จักเจ้าของก็ไม่รู้จกออักสั่นสอนจิตของเจ้าของนั้นฉะนั้นที่ พระพุทธองท่านสังวรอยูสังรวมนั้นก็เห็นชัดว่านี่มันเป็นจิต น, นี่ว่าเป็นอารณ์นั่นเห็นชัดฉะนั้น อ, รอนนารมณ์นีออ่มันเป็นศัพท์แปลว่าอารมณ์คนจิตก็ศัพท์จิตเห็นอารมณ์ก็ศัพท์ว่าอารมณ์นั่นเป็นธรรมธาตุนั่นเป็นอย่อยางนั้นเขาเป็นอย่างนั้นตั้างกระจายมาเขาก็เป็นของเาอยู่อย่างนั้น ถาหารไม่รู้จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไปสัมคัสนั่งหมายมันญาติท่านใมันเป็นอย่างนั้นญาทํานใดมันเป็นอย่างนี้นมมนนอนนตอนมจริงวันนี้นมันเป็นของเก่าแต่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเองดังนั้นกระพุทธเจ้าการเพื่อให้ปฏิบัติให้ติดตามที่คำสอนว่าท่านทั้งหลายหรือวาสูุทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันน้าจะาว่าสารถอันพวกคนเสาทั้ายตกอยู say, ่แต่จะรู <th> ้นะคงหรือไม่อันนี้เป็นส่วนของนักทกันเอความโคตรตงตไร้ผโลกนี้มันวุ่นวายนันก็เห็นอยู่อย่างนี้โอกนี้ไม่ใช่กามันวุ่นวามันเป็นต้อมัอยู่อย่างนั้นที่เรากรไปำหมายนั่นมันพอใจแต่มันก็วนว การู้ความเปนจริ้ปัญญาและสติ่ที่นั่นมันวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายต้องควบคุมวุ่นวายด้วยถ้าคุมีปัญญารูแลที่นั่นมันมนวุ่นวายแต่คาไม่มีปัญญาและตระแที่นั่นมันวุ่นวายพระพุทธเจ้าทรงรกอย่างนั้นให้มาดูโลกอันนี้คือราการดราชรถข้อคนขาวคือคนโน่คือคนรจัดคือคนหน่งหมกอยู่ แต่เขารู้ทั้งหลายรู้แล้วในข้องอยู่ที่นั่นในบุ่นายที่นั่นในกัดต้องก็เพราะเห็นว่าของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของการเห็นของการปฏิบัติมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้า ร, รู้ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นโทษไม่รู้ก็ไปยึดมัน่นไปถือมั่นมัน ตลอดการตลอนเวล า, าอารมณ์นี้นน ม, าามัมน ม, มีตาม็นมีหูมันมีจมูกมัมีริ้นก็มีตายมันเกิดมาจากจิตเฉยๆตรงนี้ซึ่งก็รู้สึกเกิดมาเดียวนั้นทั้งๆในเวลานั้นตาหูจมูกรินตานยในสัมผัสถูกต้องอะไราต่ว่านันเป็นทันมารงซึ่งเป็นกรรมเต่า ที่มัเก็บไว้ในเวลานั้นมันระเบิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเพราะว่าในเวลานั้นไม่ได้ยืนไม่เห็นไม่อะไรก็ตามทีเะแต่ว่ามันมีอยู่มันเป็นของเก่ามันจเป็นธรรมารมเป็นธรรมะอารมณ์นั่นเองเดี๋ยวจะเป็นธรรมารมมันสั่งแง่อยู่ในใจอะไรเดี๋ยวอุปาทิพน เวลาที่ทำเมื่อมันในช่องเมื่อไรมันกระบิดขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดความยินร้ายขึ้นมาอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาก็ไม่ต้องเห็นหูก็ไม่ต้องได้ยินจมูกก็ไม่ได้สิ้นเอิ้นก็ไม่ได้รับตาก็ไม่โอดตะบับในถูตกตก้องแต่ว่ามีอารมณษษ์ทางจิตเกิดขึ้นมาเฉย เกิดชนาที่จิตที่มันเกิดชนะงงนที่จิตนั่นจิตนั่นก็ยังหลงของมานอีกแ้วยังไปหลงรักยังไปหลงไสอยู่มนสถานที่น้นนี้อืมถ้าเราเห็นตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้เราังสมาธิเห็นชัดอยู่อย่างนี้แล้วก็พยายามรู้ที่มันเกิดแลวมันก็หลับมันเกิดแล้วมันก็หลับ หลับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันกรดับนั้นเจนของมันอยู่อย่างนั้นนั่นมาไปทําไมใครถึงนั้นแบบที่พระโยคาวาจาร์ตาเห็นครับว่าอันนี้มันเป็นธรรมะภาคอันหนึ่งตอนนั้นนี่อะไรคำนมันเกิดแล้วมันก็ะดับไปหลับแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วกระดับไปเขาคงมีธรรมะท่านจเห็นจิตอันนี้มันเป็นของเกิดดับอยู่ตอนนั้น นันไม่เป็นตัอย่างอนดีถ้ารู้ชัดมันแรงมันก็เกิดกับเพามันดีอย่างนั้นก็เหมือนโอกเนี่ยถึงเวลามันที่สว่างมันก็สว่างถึงเวลามันมืดมก็มืดมันก็เป็นเพมันดีอย่างนั้นแต่คนที่ยุ่งในการ ง, งานก็จะเหตุโทษมันว่ามันมืดเรไปหรือมันสว่างโรไปอย่างนี้ ถารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของมันเป็นไปอยู่างนั้นอันนั้นเดียวกับเรามั็นหลงพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อหายหลงเพื่อให้มันหายหลงถ้าเราคอยการสื่อไปที่พวกเรามีอนเนี่ยศึกษาศึกษาให้เข้าถึงความจริง เมื่อจิตสงบมันมีสติอยู่มีสัจธรรมะอยู่เป็นสมาธิอยู่มันจะเห็นเจตสุพจนะเมื่อมันเห็นอาการทั้งหลายมันเป็นเชนนั้นนั่นก็เกิดการวิเคราะห์วิจารขึ้นมาอืแท่จสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นอยู่เสมอและจะเเห็นอาการของมันตามความเปยนจริงของมันรู้ว่า ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่เมื่อเห็นชัดเชนนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมันอีกไม่ต้องไปถอนอะไรมันอีกจะให้อยู่ตามสมมตันเช่นนั้นแต่คนที่ไปเทิ่มอะไรมันจะมาไปถอนอะไรมันจมาคือคนของอารมณ์มันจะเกิดยุ่งเกดวุ่นวายเกิดความไม่สงบชือพระพุทธเจ้าตอนสอนให้เห็นโลกคือโลกที่มันตาม เป็นจริงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นข่ามเห็นชัดเลยปัญญาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขเลนข้ามจแก้ไขตั ว, ต, วตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ไข อ, อย่างอื่นถ้าเราไปแก้ไข อ, อย่างอื่นนั่นก็เรียกว่ามันเป็นภายนอกนึกจะเหตุมันเกิดมาจากนั้น แค่เรามองดูรูปดูเราฟเสียงเราก็เห็นหน้ารูปนั้นมันเาไม่ชอบมันหรือเสียงนั้นเราไม่ชอบมันก็นึกว่ารูปนันมันเป็นเหตุที่ใหายใจเราไม่สบายก็นึกว่าเสียงนั้นทำให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่ารูปมันเป็นเหตุเสียงมันเป็นเหตุแต่ความจริงๆนั้นเกิดไปอยู่ที่ตรงนั้น มันเหุอยู่ที่ uit uit จิตของเจ้าของนีเองถ้าเราก็ไปสําคัญนั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นบามันเป็นอย่างนี้แต่ความเป็จริงนั่นมันเหตุเกิดอยู่ที่เราเราต้เข้าใจว่ามันเหตุเกิดอยู่ที่โลกเสี ย, ยงสิ่งแต่ความเป็จริงนั่นมันกระทบถูกต้องแมนันเกิดจากความเห็นนี้เอง อันนั้นนงไปอยู่แตภาพต้องทำอย่างนั้นนี่แต่ไปอย่างอื่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจั์ให้พุทธบริษัตทั้งหลายมารูโลกมารูโลกอันนี้ใครมันแก่ให้มันรู้เรื่องตามความเป็นจริงของมันการู้ตามความเป็จริงของมันเลี่ยก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันสมนตามมันซะ ธรรมยารู้เท่าสังขารบาสังขาร ม, มันเป็นจริงอย่างเรารู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นด้วยวิปธรญมารู้เท่าตามความเป็นจริงอันนั้นคือความจริงทุกอย่างหูเราได้ยินกติอายะกนัทั้งหลายที่มันรวนอยู่นี่ยเมื้เราได้ยินตรงนั้นก็จัดจะทำไปไหเป็นจัดจะทำตร ง, งนั้นเนี่ยมัคือคว า, ามจริงตรงนั้นน่ยแต่เราไม่รู้จักความจริง มันก็เลเป็นของาอนแตะก็ไปพุ่งพุ่งมันเป็นอย่างนั้นก็พุ่งมัเป็นอย่างนี้แต่แกมันเป็นอย่างนั้แต่แกมันตัวก็เป็นพุ่งไปย่างลุนต้องก็ไม่เป็นนันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นฟังชั่นเช่นนี้เราก็รู้จักสั่งสอนจิตของแต่ของแล้ว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิต <actor> อารมณ์นั้นก็สัตว์ว่าอารมณ์เนั้นนันไม่ได้ทำไมใครจิตนี้ก็สัตว์ว่าจิตทนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่จิตคนที่สุด้วก็ไม่มีอะไรทำไมให้ใครเนั้นอารมณ์นั้นก็เป็นเรื่งจจิตนั้นก็เป็นอนิจจสัตวผ่านไปเลยในจังของเวทแม้แต่มีใจมากก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น เห็นอารจนมันเกิดดับปรดิเห็นอารมณ์ดีเกิดตามอรมณ์ชั่วก็ตามก่อเบี้ยวก่อนมันเป็นอารมจังตงนั้นแต่พูดกันยังม่เห็นหน้าก็เถิตัวอารมณจังทือตัวปัจจุบันตัวปฏจจทรรเนี่ยตัวที่ปฏิจจธรรมตาพุทธองค์ของเราเนี่ยเกิดเป็นพระพุธเจ้าสโลกทั้งหลายต้องมันการผัานนั้นถ้าเห็นอารม์จังชัดเจนมันก็เป็นพระสมบูรณ์ เพราะในจังเป็นเป็นกองในเที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณทุกปรธานมัน่นหมายมันก็ไม่ขัดยึดนั่นถือนั่นในขันทีห่ห้าถ้าปัดยุดมันเป็นขันทีห่ห้าเป็นกองแล้วมันเป็นก อ, นน ก, อกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่จะเ็ขันทีห่ห้า คือมนมีห้ากองพระพุทธพระเจ้าพระแม่พิจณาขันห้าใคามันเป็นทุกข์ขันห้ามีมันเจ็บทุกข์กองรูกกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองเห็นญาณเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโดยใช่เหตุเลยแต่ทางกองเป็นจริงว่ามันเป็นขันห้าพวกเวทนาสัญญาสงสารเิ็นญาณนี้ ถ้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็อนเรียกว่กาสันห้ามันเป็นก้องมัเป็นกองห้ากองกองรูปมันเป็นกองกองเวทนาก็คือ ก, กองสุขก อ, อ ง, กงทุกข์นั่นมันจะเป็นกองสัญญานี่มันจะเป็นกองสังขารนี่จะเป็นกองวิญญาณนี่ก็เป็นกอง ไอ้จ <ítulo> ีนมันเป็นกองเป็นกองมันเยอะกว่ามันเป็น้องคนเราคนคหนึ่งมันมีอยู่ห้ากองหรือมีอยู่ห้ากองกองลูกต้มีกองเวทนาต้มีกองสัญญาต็องมีกองสังสารกองวิญญาณเราจะยูจะได้โยขันธ์ห้านี้ท่านจะเปอยมัน็นกอผู้ที่จะมีความทุกข์มีความแบกน้อน ก็เพราะยึดเอาก้อนนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครมันเป็นทุกข์พรรษาหนี่มันเป็นทุกข์เพราะเห็นพรรษาเหนือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคือจะยึดหมายสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามตรงนั้นเนี่ สิ่งที่ม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็เข้าใจว่าตัวต้นสิ่งที่ไม่ใช่เราใช่เขาแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผิดจากหลักธรรมะเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะม่นก็เกิดทุกข์เพรสิ่งทั้งหลายลมันเป็นก้อเนเฉยๆมันเป็นก้อนเป็นกอน ายาอย่างอื่นนอกนี้ไปมีแต่ทุกข์เลยจะทุกข์กลับไป้ประสบเกิดขึ้นนาะสุกระดับไปมันไม่ยังอยืนหาว่องดูมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยท่านจึงเรียกว่าไอาา้ขันตังหะเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลายนองไม่เห็นบ่าอนป็นของทิมนันก็ขัดแย้งกันกปตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ ท่านตัด ร, รู้ทรามะก็คือตัดรู้ตรงนี้ไม่จะรู้อย่างอื่นมันเห็นชัดไปเรื่องันห้ามมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตนั้ก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าสันห้ามมันเกิดแต่ ป, ประดาไปไปนั่นมันเกิดตับเหนจริงแค่มันเกิดบากอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นชนี้จะไม่รู้จะไปทําอะไรมัน ยิมันเห็นสิ่ถูกต้องทำง่ายๆคิดง่ายๆอย่ามันเกิดดับไปหนึ่งรูกเพียรก็เกิดขึ้นมารูกโยโยก็ดับไปหาสิ่งใด จ, จะมาเกิดดับไม่มีนอกจากสุขกับทุกข์เราทุกข์มันเกิดแยกประดับไปสุขเกิดแยกประดับไปมันเป็นเรื่องของสันนิษฐานถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเรนี้ก่อนนั้นก็ว่าเราจะไม่รู้ธรรมะ ถ้าเราดูธรรมะก็เห็นเรื่องทขนาดแบบนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้หมดทางที่จะแก้ไขนีเรียกกระถิ่นโลกเห็นจริงเห็นโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นแล้วก็ไม่ตรงแก้ไขเหมือนถ้าเห็นในใจก็สบายก็สดายเห็นโลกอันนี้ตามเป็นจริงอย่างนั้นการเดียวกัเห็นการดูธรรมะการดูธรรมคือเห็นรูปเห็นนามนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ในรู้จ <costumes> um> ีทั้งหลายดังนั้นมันจะเห็นออกจากตัวของเราออกจากตนของเรานั่นก็เลยเป็นคนเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนมีกันหน้าในระยะหนึ่งที่เรียว่าพระสารีบุตซึ่งเจ้าหน้ารี่ของพระคุณธมันะมีบุตรจะออกไปทุณดงและก็จะถามปัญหาด้วยจิตพระารีบุตรถามปัญหาของพระคุณธมีบุตร ท่านปุณจะมีบุตรท่านจะออกไปคุโดนถ้ามีคนมาเรียนถามท่านว่ารูรปเบชนาสัญญาสังสารวิญญาณมีตาวโลเป็นอะไรท่านถามถ้าคนจะมาจะมีบุตรตอบว่าโอ้เบชนาสัญญ า, าสังสารวิญญาณเสด็จแย่ดับไปท่านไม่เห็นว่าท่านเสด็จแย่สันดับไป ตรงนั้นมันมีท่านไม่มีตัวไม่มีมต้นไม่มีเราหรือเขาท่านไ็เลยต่อท้าอาจารย์ว่าพระกินาสกตายแล้วเป็นอะไรไม่เป็นอะไรท่านจะเห็นเฉ พ, ะพยาะเพียงว่ารูปเบตนาสัญญาส่ญญางๆยืนยันเสื่อแดับไปพระสารีบุตรที่เป็นอาจารย์ก็พอใจ ไอ้ความเห็นของลููสิษยว่าเรื่องนี้ไปได้ไหมท่านก็แกปลพระปุณธมณีบุตรไปสุรุงนี่ยท่านถามดังนั้นเพื่อสอบความเข้าใจของลกูกศิษย์เมื่อลูกศิกย์ตบอบมาตามความเป็นจริงเช่นนั้นนี่ก็นั่นหมดตอบแล้วหมดที่งจะเข้าใจตัวหรือตนตัวนั้นมีพระกินาโศกตายแล้วเป็ น, ปนไง ถ้กากินประสบตะกียบตัสิ้นแต่สิ้นยศทั้งหลายเนีต่ตาได้เป็นอะไรถ้าคนในมันตนีรู้แล้วว่าท่านประสบมาแล้วว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นท่านเห็นมีอะไรเห็นแต่บพบเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสั้งสามยิญญาเกิดแล้วดับไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั้นก็ต้นที่ตายแล้ว คนที่ตายแล้วยังโลกกะลาศเห็นจิเนจ่าทำเป็นทำที่ไม่ตายถ้าถึงจุดอันนั้นเนี่ยไม่ตายทำไมถึงมะตายแล้วไม่มีคนมันไม่มีสัตว์ถ้าไม่มีคนก็ไม่มีใครจะตายไม่สัตว์ก็ไม่มีใครจะตายไอ้ความเห็นชัดแล้วมันข้นจากตัวตนเราเขา เนร็จข้ามกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเสร็จจะกันห้ามีแต่รูปมีแต่นาสัญญาสารวิญญาณมันมีคนไม่มีค น, คนตรงกับความที่พระเบียนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าอืมก็ พ, พูดเป็นเจ้าคนตาแยแล้วเกิดจริพระพุทธเจาญญาา้าทำยอนถามน้าครา ใครจะมาเกิดมาตายอยู่ที่นี่ถ้าคามมีก็มเห็นเช่นนั้ น, นก็เหมือนกันกับที่ ว, ว่ารูปสอนมังคองหัวใจตามอยู่แต่นั้นขวงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเอาออกยากมันเห็นยากตัวมันติดสมมติมันเห็นสมมติติดสมมุติถ้าเราเห็นสมมติเห็นมีมดตามความเป็นจริงแล้วมันสบาย ไ ม, มไม่มีใครเกิดไม่มีใครเสดจไม่มีใเจ็บไม่มีใครตายโลกเวทนาสัญญาสงสารวิญญาณมันเป็นไปถ้ามันเป็นคนนั้นอะไรมันจะเกิดเป็นที่ไหนมีไหมไอ้ความโลภจะเกิดเป็น uffy? มีไหมไอ้ความโกรธจะเกิดขึ้นมีไหมไอ้ความหลงจะเกิดขึ้นมีไหมชีวิตทั้งหลายวันนี้มันจะเกิดขึ้นได้เพราะคนเพราะสัตว์ถ้าการเห็นมันมันพ้นไปจากสัตว์มันพ้นไปจากคนแล้ว เด็กเจะเกิดเป็ อ, อะไรไม่แน่มีที่บอก น, นั่นก็มีืิองริงโลกโร ล, ลงเราก็โมดไปเพราะสิ่งทั้งหลายและนี่มันเกิดกา์เกิดกัปนุษย์เกิดกัตตัวกะตนกันเรากับเข า, เ ท, าท่านเห็นว่ายไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีเราไม่มีเขาแล้วมันจะเกิดเั็นอะไรนั่นถ้าเนี่ยพูดถึงที่สุดของธรรมะนาจีระตามไปทัน นจุ่ า, าหาก็เห็นพ้นไม่เห็นนจุฬาตามไม่ทันนจุฬาจะคือความตายตามไม่ทันท่านเป็นผู้ที่ไม่ตายนั่นจะตายจั้กตรนรู้สักถ้ามันพน้นจากตรนรู้สักจะไม่มีอะไรที่จะตายไม่มีอะไรที่จะเกิดจะดับที่ตรงนั้นไม่มีลอลยอนนีเอ้ความหมายที่ พระพุทธเจ้าพอเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้เราเห็นอย่างนั้นพ้นจากความเกิดความแก่ความตายทุกข์ก็จะ ม, มีไม่มีทุกข์ทุกข์มัสจะหมดทุกข์มันดับทำ น, นี้ทำจริงมาให้ปฏิบัติเป็นต้นจากทุกข์ ถ้าเราประยึดนั่นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตวเป็นพวกคนอยู่อย่างนี้มันก็ปวดแกบเจ็บตายอยู่อย่างนี้มันเนี่ยตนพระพุทธเจ้องค์ท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นท่านในรูปอย่างนั้นเดินตายก็มีอะไรมีจะขันห้ามีจะกองลูกกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองวิญญาณมีจะเรื่องขันห้ามมันเป็นไปตามสภาวะของมันตอนนั้น อันนี้ท่านจะวาเห็นออกจากตัวตนไัม่มีอะไรจะขัด ย, ยุดนั่นหรือมัน่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้จิตล่อยวางจะเห็นว่ามันเป็นสภาว่าทัพอันหนึ่งแถวนั้นจะกระโดดขึ้นจะกระดาษไปกระโขึ้นจะกระดาษไปนี้จะเลื่อนกระดับไปเทนั้ น, น, น, นอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ ให้พวกเพุทธบริษัทจำหน่ายนั่นปฏิบัติให้เขาไปรู้อย่างนั้นให้เขาไปเห็นอย่างนั้นถ้าเขาไปรู้อย่างนั้นท่านจะเรียกว่าเราไปเห็นธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเมื MM ่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะ อันนเป็นเรื่อการปฏิบัติเรื่อ้วนทางจิตของเราเรื่องเราปฏิบัติที่เราแนะนำท่านสอนตามอยู่นี้ก็เรื่อเของเป็นศีรครับเป็นศีรษะธรรมสอนเรื่องศีระธรรมีสอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องเขาอย่าไปเหยียบเหยียนชื่อกันเันกันเป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาถ้าสอนธรรมะเรื่อร้วนปฏิบัติ ไม่มีเรามีเขาละา่ะพูดง่ายๆนะไม่มีเรามีเขาสอนอย่งางศีลธรรมนี้มันก็ต้องมีเร า, ารมรีเขาไอความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีพุธทธประสงค์อยากจะให้สาวุทันหลายเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอยู่อย่างนั้นสงบ นั่นหมายถึงสงบสงบจากตัดสงบจากบุกคคจากตัวตวนจากเราจากเขานั่นประมุขท่านแค่นั้นนี่ในทางพุทธศาสนาของเราตั้นแตอนหนึ่งนะแต่ว่าพุทธบริษัทจะมีศรัทธาจะมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามคำนองนั้นลําบาก ยากไม่มีสถัทธาในความเปยจริงอย่างนักหัวชตอนนั้น่ะอย่างพวกเราเนีย่ยพวกง่ายใช่ไหมว่าการว่าวิสัยมาแล้วละบ้านละช่องมาแล้วอะไรทั้งหมดทั้งหมดเราก็ทิ้งมาแล้วเส้นวิสัยของสมณะนะอันนั้นเป็นที่หมายเป็นเต้าหมายต้องตกเราเหลาย เป็นเป้าหมายของผู่ปฏิบัติข้ามั่ น, นจำเป็นสอนละสุสีละเนินนะสุสีคือความเห็นลนะเน้นคือความวายึดไว้คือความวายึดไว้